ก่านหมดปีแล้วไปถึงปีใหม่แล้วมีอะไรใหม่บ้างมีของอะไรใหม่ใหม่มาบ้างาปีใหม่ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างถ้าปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นการเรียนการสอน เราได้เรียนอะไรได้ครูได้สอนอะไรเราคือสิ่งที่เราเรียนรู้มันมีการวัดผลประเมินผลอย่างไรวัดจากตรงไห น, นประเมินอย่างตรงไห น, นถ้าเป็นนักเรียนถ้เรียนหนังสือก็ยังวัดผลประเมินผลวัดผลคือสอบ ประเมินเป็นกขกง b อ d ก็ง อ, ง e d. อ, อยู่ในระดับไหน่ราเราพวกเราเนี่ยจะสอบกันยังไงถ้าไปบางวัดเขาก็จะสอบอารมณ์แต่เป็นการสอบที่ไม่มีคะแนนใหนะ้สอบอารมณ์จากเราเป็นยังไงบ้างกระลห้ฟัง อ่านี่คือภาพรวมของชีวิตเราที่ผ่านมาหมดไปสิบสองเดือน <c oughs> เราเข้าใจว่าเราได้แล้วนับเอาก็คือนับวัดเดือนปีเล้ก็คิดวปีหนึ่งก็แก่ครั้งหนึ่ง น, นี้เป็นความคิดของเราเองเคิดว อ, อายุ ยุเ พ, เพิ่มขึ้นอีกนี่เราคิดด้วยเองแต่สัจจะคือความจริงมันสวนทางเราสิ่งที่เราคิดเพราะนั้นปีใหม่ที่ส า, ามม า, าก็มันจะประมวลที่สามเรื่องจากตัวเราคือต้องแต่หัวจะดหลดเท้า ที่ผู้เช้าสอนเราคือสอนให้เราคิดสอนให้เราจำสอนให้เราทำสอนให้คิดแต่ไม่คิดสอนให้จำจำอะไรไม่ได้เลยสอนให้ทำถึงปฏิบัติก็ไม่มีอะไรไปยมายปฏิบัติอะไรได้เลยเพราะไม่ลงมือ หลวงพ่อบอกเสมอว่าทุกวันนี้มงคนส่งการบานทุกวันส่องธรรมะหลวงพ่อระหว่างทุกวันไปยกเตียงเมื่อวานก็อเอาธรรมะมาฝากทุกวันมาถึงญาติโยนี่แหละ คนหนึงก็เอาเคสาของอุบาอาจารย์มาฝากท่านเข้าอยู่เยอะนอี่เยอะแต่ว่าท่านกระปวตอนเก่งเขามาฝากหลวพ่อรลวงพ่อเลาไม่ไม่คุยต่อไม่ได้ทางต่อจริงๆหลพ่อบวก่อนเป็นสิบปีแต่เขาก็เอามาฝากเขาไม่เป็นไรกขรับไว้ อเอาเกษามมาฟังลืมคําหัวตัวเองเออตัวเอทุกคนก็มีเกษามก็เข้าไมาฟังกันอีคนนึงก็มากราบที่มากราบทาไมถึงมากราบเขาบอกมีคนมีคนออกมามาเชียงใหม่มาหาหลวพ่อชิโนนบอกอืมเขาก็ลอยฟังปกติว่า อยู่ที่บ้านไปวัดไหนไปหาใครกว่าจารย์เขาก็เล่าให้ฟังมันเป็นพระดังพระดังมากไม่เหมือนหลวงพ่อหนละพ่อพระไม่ดังเขาเถือกไปพระดังแต่ไม่รู้ว่าดังยังเพราะว่พูด ถ, ถึงพระนี่อยากให้พวกเราคิดอยู่สองเรื่องหนึ่งพระดัง สองผ้าดีพ่าเราเลือกเขาคิดครั้งแรกคิดโปร่ขึ้นมาจากสมองเนี่ยเราเลือกพระดังหรือพระดีรู้ได้ไงว่าดีคิดเอาเองนี่ต้องมีชื่อเสียงด้วยมันมีชื่อมีเสียงทุกคนใครไม่มีชื่อมั่ง เริ่มมีพระไล่น้ำแล้วเริ่ ม, มเริ่มดังเพราะพระไล่น้มเอาแล้วมันชื่ออะไรวะวชื่อนั้นเอาแล้วมันจะเป็นไร่น้ำได้ยังไงก็มันมีชื่ออยู่ว่าพระไร่น้ำแดงงเริ่มเขาเรียกว่าพระยามหาตราหายิ่ห้อห า, หาแบรนด์อันนี้เขาเรียกว่าดังถ้าเราจะรู้ได้งไงอยู่ครเอเชียโคราชเข้ า, ข า, ข า, ขาถึงด้วย ก็ดกวาดกันไปเป็นความคิดส่วนตัวก็เตาได้หมดอล้ไม่มีผิดไม่มีถูกทีนี้ถ้าเรานึกถึงธรรมชาติบ้างทีนี้ธรรมชาติคําว่าดีกับดังเนี่ยเขาพูดถึงคําว่าดังกันปกติถ้าพูดอย่างเนี้ยเราจะนึกถึงอะไรเอธรรมดาเหี่ยเราต้องคิดอะไรมาแต่พูดถึงคําว่าดังเราจะนึกถึงอะไรเครื่องเป่า อันี้คือดังใช่ไหมวัดเราก็มีอย่างนี้นวัดเราก็มีอที่อื่นก็มีดังทําน้ําบอนี่คือดังใช่ไหมของขังคือทำแล้วปิดไว้ในกุฏิเลยไม่ต้องออกมาขังไว้เลยของขังนะไม่งั้นมันก็ไม่ขังแล้วถ้าปล่อยออกมาก็ไม่ขังแล้ว ออันนี้เขาเรียกว่าพูดให้ชิดพระสอนเหมือนสอนให้ชิดอย่างนี้อรียวสอนให้ชิดแต่เพื่อนขอเราไม่คิดคุณให้ชิดพูดให้จำํำเราเคยจําอะไรได้มั้งสมมติพระที่เราเนี่ยพระที่เราเคารพนับถือใครก็แล้วแต่สมมติว่าปู่มั่นปู่แหว น, านถามว่าเราจำอะไรได้มั้ง ือจำได้แต่ชื่อจำได้แต่เสียงอืมคยพุทโทหลังอืมอันนี้คือจำผู้ใดจำจะพูดให้ทำอ่ะเทนี้นทมอะไรได้มาทาสมาธิ ถ้าเรากำลังพูดให้เราก็เกิดปัญญาทั้งหมดทั้งปีที่ผ่านมาที่เราฟังที่เราจําที่เราทําทั้งหมดมาแล้วคือสิ่งที่เราที่ต้องนํามาประมวลว่าเป็นสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราเสียก็มีได้กับเสียกันนั่นน่ะนนี้กลับมากลับมาที่เดิมว่าพระดังกับพระดีเป็นอย่างไง ว่าทาวัดคําว่าดังเราต้งถึงอะไรเอเฉพาะในวัดเวลาดังเราต้องถึงอะไรโอเคป่ะเอาเฉพาะวัดเราไปเนี่ยไปที่อื่นมันคิดยากเอาเฉพาะวัดเราเนี่ยถ้าพูดถึงคําว่าดังเราต้งถึงอะไรเราต้องถึงหลวงพ่อก็ได้บอกแล้วหลวงพ่อไม่ดังการศึกษาปฏิบัติดังพอันนี้คือดังใช่ไหม อืก็มันก็ถูกถูกหมดเลยเราถูกพูดอย่างเนี้ยมันก็ใครก็พูดได้ก็อยากให้นึกถึงธรรมชาติอ่ะเข้าใจนะว่าธรรมชาติคืออะไรคือเรายังวิธีคิดเรายังไม่เข้าใจเราไปเข้าใจหมายถึงกิจยาอาการหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่นึกถึงมันที่เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติคือรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นผ้าธรรมร่มพุฏามะคือธรรมชาติธรรมะชาติเกิดเองเป็นเองแต่เราการรับรับไม่รู้รู้แล้วไม่พิจารณมันเกิดเป็นอย่างเอ า, เ, าเอาไปว่าเอาอย่างนี้แล้วกันระฆังมันดังเองได้ไหมทําไมมันถึงดัง เอาวุทธีมันทำไมตีให้มันดังอืพอตีปุ๊บมันก็จะดังเลยเปลมันไม่ดังอ็แล้วทําไมพระอยู่ดีทําไมดังอมีใครไปตีท่านเลยไม่ตีอ๋อไม่ตีแล้วดังได้ไงอ่ะไม่ตีแล้วดังได้ไงทางนั้นเราค้างเราก็ไม่ต้องตีก็ได้เราสถามมันก็ได้เนาะมันจะดังไหม ระครังโอ้สตาจังเลยระครังโลกนี้ก็ถือว่าดังแล้วสุเรากาลังจะบอกว่าคนดอแล้วคนดังเนี่ยมันต้องถูกคนอื่นกินประเทศดังด้วยตัวเองอนนี่คือพระพระนารพระจะดังต้องต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ คือไม่ใช่ตเตะไปโปรโมทโฆษณาเปินทุกวันเนี่ยพูดตรงๆอเออเดี๋ยวนี้มันผิดธรรมชาติเข้าใจไหมขอเป็นอย่างนี้เพรมันผิดธรรมชาติเพราะธรรมชาติต้องคนอื่นทำให้ดังพนักงานแสดงเ้าเรียกว่าแสดงตนกับแสดงธรรมเนี่ยมันต่างกันตรง น, นี้แหละเพราะที่แสดงตนก็แปลว่าตีตัวเอง มีใครตีตีตัวเองแต่แสดงคาํามติคนอื่นเขาตีเขาก็ดีเอ่อพระดังเบ็นงนี้พระดีอยู่ที่วีไนอยู่ที่วีไนนะไม่อยู่ที่ทำเราเข้าใจพิจาราพระดีอยู่ธรรมะดีไม่ใชนะ่ไม่อยู่ที่วนะีไ น, ะไนเพราะสองคำเนี้ยที่เราจะต้องดูพิจารณาคือธรรมกับวีไนแค่นี้ ถ้าประเดี๋อย่างอื่นว่าจะดีจะดังอยู่สองคำแค่นี้แต่นี้อยู่ที่พิธีคิดวิธีคิดเมื่อกี้เริ่มต้นบอกเมื่อกี้มุจาบอกตั้งพระป่าทุกคำที่ญาติโยมพูดหลวงพ่อโอเป็นนกน้องก็มาทุกเรื่องใครก็มาหาเหมือนกับหาครูบาอาจารย์เขา็ยะภาลานาถึงครบอาจารย์เขาไปอย่างนั้นเขาก็ดีก็าถือว่าอัตมามาให้ กติณพ ร, ป ร, ป ร, ป ร, ปราปแล้วพูกง่ายคือเงินก็สตังนีงน่แหละมันเป็นเรื่องที่ดีนะมบริกจําเป็นแต่พอเราเลิกถึงพ่อเราพ่อเราคือพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าพูดถึงสตังยางไงพ่อเรานี่นะถ้าเราคิดเราพรุทธเจ้าเป็นพ่อเราเราต้องเคารพคำเคารพผู้เชื่อฟังคําว่าเชื่อฟังคือปฏิบัติตาม สามประเด็นนั้นเราเคยไหมคำขอรบขอรบยังไงเอาแค่กราบมามามาบางทีกราบไม่ถึงสามคำยังไม่มีสติเลยตบตะบกบเกลืนไปป๊บปุ๊อครบสามครั้งหรือยังาะแล้วมันไม่มีสติกราบทุกคนไม่มีสติพอเริ่มต้นจะกราบแค่กราบพระนั้นก็เป็นน้ำมะเลงถ้ากราบจริงๆกับพ่อเราจริง กับพ่อเราคือคนของพระพุทธเจ้าคนในี้ไปถึงพระปัญ ญ, ญาที่คนพระบริสุทธิ์ที่คนพระมหากราธิคุณนี่คือสิ่งที่เรากราบไม่ใช่ปูเห็นดินทรายอันนี้ไม่ใช่ทองเหลืองทองแดงอันนี้อันธราาร a k ร h ทุกคนเข้าใจว่าเออกราบคุรุสปัรธ์ของพ่อเราพ่อเราเป็นคนมีปัญญาคือปัญญาที่คนปัญญาของพ่อเรานี่ไม่ธรรมาดา มุดดินตัวไหนก็รู้บอลดนนินก็ได้ก็รู้สุดขอบจั ก, กรวาลก็รู้นี่คือลักษณะขขาคนมีปัญญาขอบภูณาของเราปัญญาที่เรามีนะี่ยโอ้เทียบที่ฝนของภูจาไม่ได้มายว่าสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เรารับรู้ทุกวันมันเทียวกันไม่ได้เลยอันนี้คือว่าปัญญาเพาสิ่งที่เร า, ากรารบเรียนขอรพเราเรียกว่าคุณสมบัติของพ่อ พระบริสุทธิคุณก็คือพระองค์จะทําอะไรคือพ่อเราจะทําอะไรมันไม่มีเหมือนปัจจุบันนบวชพระมีการอุปชาไห ม, มเทศมีการเทศไหมเออทาไมในพวกเราทวนในเนพียงเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะเน้นของผู้นี้เราจะเป็นพระอุปชาหรือเป็นนักเทศก็แล้วแต่ไม่ควรจะเน้นของนี้เพราะพ่อเราไม่เคยได้เสิ่งเหล่านี้เลย เราเคยนึกระมคนที่เป็นอุปชาเป็นอาจารย์นักเทศทั้งหลายเลยนะไม่มีพ่อเราไม่เคยในคนลาสมบัตบิบริสุทธิ์ที่คุณคือให้ด้วยความบริสุทธิ์จริงๆแต่รเรื่องอย่างนี้มันน่ากลม า, าไหวไหมบริสุทธิพระมา ก, กราธิคุณคืออินทร์ดูสงสารสัตว์โลกทั้งหลายคนไหนที่มีวาสนาบารมีเต็มก็ไปโปรด คำว่าไปโปรดคือไปถึงที่ซึ่งปัจจุบันในผู้เราไปหาพระสมัยก่อนพระไปหานะปุท ธ, ธิจ้าไปหานะมันจองกันคำไหมว่าอันนี้คือคุณทสมบัติของพ่อเรานะอนที่เรากราบเราไหว้นะวนั้นเมื่อเรารู้ว่าอ น, นี่คือคุณทสมบัติของพ่อเราเราก็ เอามาใช้บ้างสิคุณรูส้สวัสดีขนาดนี้เราเอามามาใช้ถ้าปัญญาที่คุณก็แสวงหาปัญญาทำตัวเองให้มีปัญญาคนที่มีปัญญาต้องมีสติก่อนสติต้องมาก่อนปัญญาสติเยอะไม่มีคุณจะได้ปัญญาปัญญากบอธิษฐานเอาขอเอาสุดท้ายปลายทางคือ ที่พ่อพูดมาทั้งหมดก็คือขอเอาอยากได้อะไรขอเพลอๆอะไรไม่ได้ว่าพวกเรานะั้นอยากได้ลูกอยากขอพ่อเราเลยพ่อไม่มีลูกมานานแล้วทาไงก็ไม่มีลูกแล้วมันไม่คิดว่ามันเป็นหมันหรือเปล่าไม่ลูกอยากได้ลูกก็ไปขอพ่อเขาเห็นมันสติปัญญามันหายไปไหนหมดเลย เขามำมาพ่อสอนมาอย่างนี้ไม่ลูกไม่รักดีไม่ฟังพ่อเราอันนี้คุณสมบัติของพ่อเรานะ้องก็คือที่เราเนี่ยนั่งกุบาลศกไายการนะคุณสมบัติของวัาสงก็กคืออะไรลุงถ้าไม่มีสิ่งนี้พวกเราก็ไม่มีคุณสมบัติ คืออย่าไปเรียกตัวเองว่าอุเบกุาบาซิการูเ้เพาเราไม่มีคุณสมบัติเหมือนเราไป ส, สมัครงานที่ไหนก็นแล้วแต่แล้ะมันต้องไม่คุณสมบัติอ่ะที่เขาต้องการเวลาสัมภาษณ์เขาต้องตั้งเป้าไว้แล้วเราต้องการประเภทไหนก็จึงจะมีคําถามมันอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราตอบตรงกับคำถามไหมใกล้เคียงไหมใกล้เคียงกับองค์งกรทีเร่เขาต้องการไหมเรื่องที่เขาต้องการหมถ้าไม่มีคุณสมบัติเขาก็ เป็นพนัก ง, งานหรือเป็นอยู่ในองค์กรเขาไม่ได้องค์กรของเราเหมือนกันของพ่อเราเนะคุรุสวดของพ่อเราเนะี่ยเรียกว่าบรสุขอุเ บ, ก, บกานะคือผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรยัยคาว่าใกล้ชิดในตอนนี้หมายคนใกล้กันนะมันต้องเห็นกันใชนะ่ไหม่วยนะเราเห็นไหมเราเห็นคุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคนพระอริยสงฆ์ไหมต้องเรียนว่าอริยสงฆนะ์ ถ้าเราไม่เห็นคุณอันนี้ก็คือเราไม่มีคุณสมบัติที่เรียกว่าอุบาสกปุตตะเลยเรียไปอยนนะ่องนะจะทำลายแ ต, แต่ไม่มีคุณสมบัตินะั้นทั้งหมดเนี้ยเราเป็นความรู้หรือความเข้าใจพื้นฐานที่เราจะต้องมีในฐานะจะเป็นชาวพุทธหรือพุทธมามา ก, กะมันต้องมี ปรสติปัญญาต้องหาเพิ่มทุกครั้งที่หลวงพ่อพูดมันมีนิยามมีความหมายเหมือนก็เครื่องเสียงข้างดังทงั้งหลายต้องมีคนดูชเสียงตีปอดถึงันดังมันดังเองไม่ได้มันดังเองไม่ได้ถ้าอังดังเองขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่สมมติว่าระฆังเกิดดังแม่งแบงขึ้นมาเนี่ยอาได้สดาเคาะกับทางวัดละถิ่นกองมันดังขึ้นมาเองเนี่ยโอ้ มันเป็ธรรมชาติเนี่หมอนก็จะคิดว่าโอ้มันน่าจะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยไปนู่นเลยทีนึงหรือบางทีสมัยก่อนไก่มันอยู่ในป่าอยู่ดีมันแตกตื่นเข้ามาในบ้านทั้งบนกับทั้งบ้านเลยคืงไม่รู้ว่ามันหนี่ภัยหรืออะไรมาก็ไม่รู้ไก่ป่าทํานงวิ่งเข้ามาในบ้านเมื่อไหร่ครับโอ้แตกตื่นทําบุญกับทั้งบ้านเลยสมัยเด็กๆสมัยนี้ไม่มีแล้วจะไปทําหาไก่ปายไม่มีแล้วแบบนี้ เราพ่อเขาพูดเสม อ, เออไก่ป่าเมาื่อวานก็พูดเรื่องนี้แหละบอกว่าอันนี้เป็นครูบาอาจารย์ท่านพูดครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไก่ป่านมันขันตัวเดียวนาะถ้าขันหลายตัวยุ่งเลยนะเพราะฉะนนัน้ถ้าลูกน้องลูกทีมลูกฝูงขันแข่งเมื่อไหรนะ่เนี่ยจิกกันตายเลยเพราะถ้าผู้นั้นที่ขันได้นะ เพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างขันก็เหมือนก็บอกว่ามันบอกประมาณว่า oo, you, you, you, you กูอยู่นี่มันก็ตายกันทั้งหมดอย่างเอีอ้ยอธิจาฝูงขันก็ขันเพื่อให้รู้เพื่อเตือนว่าเออศัตรูภัยมาแล้วจะได้เตรียมจะได้ลบเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติเขาก็เป็นกระทั่วันให้เป็นยังไง สี่ห้าภาษาขันกันแล้วเจ็แปดภาษาขันไปแล้วเรามาดูประวัติครูบาอาจารย์ดูแต่ละคนแต่ละท่านเอาเฉพาะเป็นบูรพาจารย์วัดเราอย่างหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อทั้งสองท่านเป็นข้าใหญ่มาก่อนข้าใหญ่มาก่อนจะไปเจอที่ไปเจอหลวงปู่แหวนไปเจอหลวงู่พ่อไปเรียนเรียนมุ่งกระจายที่อุบล ก็ได้ยินกิติศัพท์หลวงปู่ตอนนั้นหลวงปู่สิบกว่าพรรษาแล้วนะสิบกว่าพรรษาไปเจอหลวงปู่ที่บ้านผือบ้านผือคืออำเภอบ้านผือไม่ใช่บ้านผือหน้าไหนบ้านผือหน้าไหนสุลนคนนรพันโงตงวบทสุดท้ายที่ท่านท่านอยู่ก่อนที่ท่านอ่มโนบาลอันนี้มาถึงบ้านผือที่บ้านคาะเดินจากอบุบลมาหลวงปู่สิบกว่าพรรษา หลวงปู่ตื่นเลยยติยติเป็นคณะเราเน่ะพรรษาที่สิบเก้า เ, เดินหาหลวงปู่มั่นพืขออวายคำแรกที่หลวงปู่บอกเอาตาลาเก็บไว้ก่อนก็คอง ง, องเหมือนกันทำไมหลวงปู่ว่าไม่ได้พกตำลามาเลยต้องบอกหลวงปู่เอาตำลามาเก็บไว้ก่อนสรุปคือไม่ได้ใช่ ไม่ได้ถามไม่ต้องถามไม่ได้พูดเยอะหลวงปู่บอกว่าแก็บตำราไปก่อนอันจะได้ค่อยเรียนรู้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติจริงๆจะได้ยอมกันว่าดูลูกศิษย์รุ่นใจของหลวงปู่แต่และองค์แต่ละท่านทำไมถึงได้ด็เได้ดีทำไมถึงดังมีใครไปตีท่านไม่มี นี่คือความดังของหัวอาจารย์ที่เปิดเพื่อฟังมันไม่ใช่ดังจากคนปฏิปีเป็นคุณสมบัติภไปในของท่านแต่และองค์อย่างหลวงปู่ตื้อพูดถึงวิชาคาถาอาคมไม่ต้องมาพูดถึงกหลวงปู่ตื้อมันเป็นปรมาจารย์อเขาท่านเรียนมาของพู้นี้หัวาจารย์รุ่นเก่าถามว่ามีของผูงม้มั้ยมีแทบทุกองค์มี แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นสาระเป็นเรื่องบันดาลเอาเป็นเอาตายเอาชีวิตเขาแร้งมันไม่ใช่พวกเราก็คเพืสเ่สมเหลือสองสองวรเอาไว้ว่าสิ่งที่อะไรที่พระุทธเจ้าไม่สอนก็อย่าไปจะไปจําอย่าไปทําพุทธเจ้าท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ากิดเร็วกิดเร็วคือกิดที่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ ตัวองผู้อื่นไมไ่เป็นไปเพื่ความละถอนปล่อยวางไม่ได้เป็นไปเพื่ความเบื่อหนา่ายขายกํำนัดคำว่ากิดเร็วไม่ได้ไปแปลว่าท่างคนเร็วนะคือไม่ได้ส่งเสริมให้พูดง่ายๆคือมักผลนิพพานถ้ารู้ง่ายๆอยันนี้ย เ, เ, เ, เราเรียกสิ่งเนาเียว่ากิดเรนะ็วกิดที่ขึ้นนี่คือกิดวัดข้อวัดกิดเจ้าวัดที่ท่านพระเอาไว้ยดี เนี่ยเรมาดูครูาอาจารย์แต่ละรุ่นแต่และองค์ภูมิกว่าจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของพรดองคได้แต่และองค์ดูประวัติสิบปียี่สิบปียังตามต้อยต่ยครูบาอาจารย์ยี่สิบกว่าพรรษาตามครูบาอาจารย์เลยมันต่างกระยุกดึงหน่ยยังไม่เท่าไหรล่ล่ะก้าวสองก้วาวขโดดไปสวรรค์ปณิพาน์แล้วเยอะเรื่อะที่ก็เลิ่มีเยอะๆๆ มีเยอะจนไม่รู้จจเยอะอยังไงเพราะฉะนั้นครูอาจารย์ที่ดีต้องต้องเอาร่องรอยผู้ย่าวว่าเพราะทาไมหลวงพ่อจะพูดเสมอว่าย่าโจงยญาโจมเอาเอาธรรมะมาฝากมาฝากทุกวันเพียงแต่ ว, ว่าเราจะหยิบตรงไหนให้มันเป็นประเด็นให้มันเป็นประเด็นคือเป็นหัวข้อคิดน่นในชีวิตประจำวัน เมื่อกี้เราพูดถึงว่าพ่าป่าจริงๆพ่อป่าก็คือสตังก์ั่นแหละเขาบอกพูดพูดอยู่เสมอว่าสตังก์มันมีค่าสิ่งมีค่าสำหรับคนที่ต้องการคนที่เขาไม่ต้องการมันก็ไม่ประโยชน์ไม่ครับสตังก์ทีนี้สองคำสองคามันอยากพาพวกเราจริงๆนะเพื่อน ปีใหม่อยากให้ได้ได้จริงๆคือสตางค์เนี่ยชีวิตเราทั้งชีวิตเราก็หาหาหนี่แหละหาคำว่าสตางค์นี่เนาะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อเปลยสภาพเป็นปัจจัยสี่อันนี้ปลายทางเขานะใครมีเยอะก็สะดวกสบายหน่อยใครไม่มีก็ลำบากเรารือ ก, กายเป็นมงกุว่าเอออันนี้คือสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุด นั่นคือคนคือมนุษย์ในคิดผิดนะแต่ชีวิตมุ่งไปที่สตังเดียวคิดผิดเพราะว่าเราอยู่กับโลกกระทอันนั้นคือโลกสวดธรรมเหมือนกันเลยสองยางเหมือนกันก็คือสติเพราะนั้นสองคำหนึ่งพูดถึงโลกเมื่อไหร่เขาจะพูดถึงสตัง แล้วเขาก็จกยยกย่องคนมีสตางค์คนมีทรัพย์เสรษฐีมหาเศรษฐีเดินไปไหนเขาก็จะยกย่องยกย่องสตางค์นะยกย่องคนนะคนมาแล้วจนเมื่อไหร่ไม่มีทางใครยกย่องเพระฉะนัสิ่ที่เขายกย่องแล้วถือคือเงินคือทรัพย์นั่นคือโลกเนาะถ้าเราใช้ชีวิตอย่างอย่างนี้ยลมหายใจจาบหมลมหายใจแล้วถามมันมีอะไรติดไม้ติดมือมั้ง คนโบราณเขา เ, าเอาเงินยัดใส่ปากเดินยัดใส่ปากกลัวไม่มีหนึ่งไปใช้บาทเดียวไปใช้อะไรไ้หเอาเงินยัดใส่ปากเลยนะปากก็ไม่หายใจแล้วไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะฝากไปยังไงกระป๋องก็ไม่ได้กระป๋องเอายัดใส่ปากเขาเลาเงินปาก เ, เ, า เ, ากเห็นไหมตายไปแล้วมันยังแนวความคิดอย่างนี้ว่าออกลัวไม่มีตังค์ใช้เออคิดแต่อย่าง อันนั้นคือสตงังแปลว่า ต, ตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ยังเอาสตังยัดใส่ปากผมพอจใช้ได้อะไรบ้างไม่ได้อันนั้ น, นคือสตงังอีกฝ่ายหนึ่งโลกฝ่ายหนึ่งธรรมคือธรรมะธรรมคือสติสติกับสตังพวกนี้อะไรมีมากกว่ากันในชีวิตมนุษย์เพราะเราหาแต่สตังให้สติเราไม่หา สตังมีเยอะๆตอนให้มีเต็มศาลาเนี่ยไปเซเว่นเซื้อสติได้ไหมค oh. อักเงินมาหลายบาทไปเซเว่นเซื้อสติหน่อยเนี่ยมันจะถามว่าไปโรงพยาบาลเถอะอันบอกเออเหรอวะมีเท่าไหร่ซื้อไม่ได้สติแต่ถามมีสติหรือหาสตั ง, งนั่งมาดัางนี่คเอความแตกต่างทีนี้เราจะเน้นให้สตังหรือสติดี อยู่ที่เราแล้วนะมอกี้หลวงพอพูดพูดให้คิดขให้เอาไปคิดนะพูดให้จาจาบ้างพูดให้ทำลงมือทำบ้างมันถึงจะสาเร็จประโยชน์ของอุปรกรณ์อย่างนี้พูดให้คิดมันก็ไม่คิดพูดให้จำไม่ได้เคิดจำอะไรได้เลยทั้งปีพูดให้ทำทำอะไรไม่ได้เลยก็มันจะได้อะไรกันนะ ก็ไม่ได้อะไรกับหมดวันหมดเดือนหมดปีเโยๆหิว้วก็ถือว่าแก่ก็เท่าจริงๆมันแก่ตั้งแต่เกิดแล้วไอ้ชาราเนี่ยที่เราแปลว่าแก่จริงเราแก่ตั้งแต่เกิดอไว้มามันก็ชาราแล้วแต่เราไม่ได้สอนกันว่ามันคือชาราอันนี้คือสิ่งที่เราไม่เคยจําว่ามันชารา ชาราตั้งแต่เด็กแล้วชาราแปลว่าค่ำคล้าหมดไปไม่อเนแปลว่าแก่เท่าที่เราเข้าใจนะ น, นั่นส่วนหนึ่งเลกว่าหมายจริงๆแล้วมันชํารดสุดโทมตลอดการเวลาก็มันชาราวันนั้นไม่ต้องไปห่วงเออเราจะชารามันชรามันชราตั้งนานแล้วแต่เราเองเนี่ยไม่ใิดว่ามันชาราเรายังคิดว่ามันหนุ่มมันยังไม่เจอคิดอย่างนี้ทำงานนะ บอกเออเรายังไม่เก่อายุเท่าไรสามสิบโอ้ยยังไม่เก่ตอบได้ทันทีแล้วยังไม่เก่พูดไนดะ้เต็มปากเต็มคํานะหรือยังไม่เก่เอ อ, อเหนะ็นไหมสําหรับคนที่มีปัญญาคนที่มีสติคนที่มีปัญญาท่านหนึงคิดยังโอ้คิดได้ยังไงอายุสามสิบสี่สิบบอกยังไม่เก่เราจะกจะเรียกว่าอะไรอะ อ้ย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่ในวงความคิดในชีวิตประจวันนะนี่คือฝึกสติปัญญาไม่จาเป็นว่าต้องหับหูหลับตาครับพรนะภาวนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่จำเป็นนะคือคือคือได้แปลว่าไม่ต้องทำเนะี่ยไม่ใช่นะเพราะวิธีคิดอย่างนี้ทำให้เราเกิดสติคือระลึกนึกขึ้นมาได้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราก็คือ รัตนาใจคือเป็นสิ่งที่ต้องระลึกเร็วอนุสติที่ต้องระลึกนึถึงเสมอเพราะงั้นจิตของเรามันจะไม่อะไรเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวเครื่องถืออะไรเลยกลายเปไปความกลัวไปอีกความตายกลายเป็นความกลัวคือภัยเห็นความตายเป็นภัยมันไม่ได้เป็นภัยถ้าจะถามว่าความตายเป็นน่ากลัวนะ เราท่าจะกลัวผิดที่นะกลัวผิดเรื่องสิ่งที่เราจะต้องกลัวไม่ใช่ความตายแต่มันคือความเกิดเรากลับไม่กลัวความเกิดยกมือขึ้นมาเลยปรารถนาจะเกิดเป็นอันเป็นที่เป็นรูยกมือช้าหน้าขอให้พี่เจมขอเป็นลูกพ่อแม่เหมือนเดิมอันไห็นไหมไม่เสร็จเวลาครับ ให้เป็นผัวเปเมียเหมือนเดิมทะเลาะกันทุกวันแกเป็นผัวเมียเหมือนเดิมเอ อ, เ อ, อแทนที่เออน่าจะกลัวเรื่องความเกิดว่าถ้าไม่เกิดนะมีคําว่าเกิดแก่เจ็บตายคงไม่มีเรากลัวผิดที่กลัวผิดเรื่องเพราะว่ามีสติปัญญาที่จะสติปัญญาเพราะฉะนั้นที่เราฝึกทุกวันเนี่ยฝึกผู้ให้เกิดสติปัญญาอย่าอย่าไปวิ่งไ ป, ไ ป, ไปตามอะไรก็ตามที่มัน มันไม่มีตัวตนวิ่งตามไล่อะไรก็ไม่รู้เหมือนวิ่งตามเงาตัวเองมันไม่เจอมันไม่ทนันก็ฝากพวกเราทุกคนว่าอัถือว่าเป็นประมวลเรื่องเราจะต้องคบคิดพิจารณาเรียนรู้เพื่อให้อนุสติเกิดขึ้นที่เราเลือกปีใหม่เนี้ยก็ถือว่าปีใหม่ถือว่ามันรอดตายไปเป็นอื่นแล้ว ก็เรือติวโชคดีในแต่ขนาที่กัสี่งที่ผ่านมาทั้งหมดปีใหม่เราเรามาดูว่าสองคำเขาเนี้ยเป็นตัวชี้วัดเราคำหนึ่งก็ว่าสตังค์มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงสองสติอย่างน้อยที่สุดมันต้องสมดุลกันเนาะมันจะได้คานำนานกั น, นแต่ถ้าสตังค์มีเยอะนี้สตังค์มันก็มีอำนาจมากก่อ เหมือนเหมือนเราเนี่ยในขณะใดจะตามที่กุศลมั น, นี้ก็มากกว่ามันก็มีน้าหนักมากกว่าอกุศลขณะใดอกุศลมันเยอะกว่ารูนมันมีน้าหนักมากกว่ามันก็จะไหลไปทำนั้นคือเป็นตัวบังคับเป็นตัวชีวัดอย่างน้อก็คือให้รู้จักทั้งสองอย่างไว้เออสตังเป็นอย่างนี้สติเป็นนี่คือคุณสมบัติของเขาเป็นอย่างนี้ เราจะได้ไม่ไม่หลงไม่มีความว่าเข้ามามันมากเกินไปเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้วันไหนวัด ท, ที่วัดเราตั้งแต่ต้นเดินมาเนี่ยก็เพื่อตายเยอะเราทีมาทีมาทีละสองทีละสองทีละสามอันนี้เพื่อตายเนะึ่งใครคิดว่าเออเรานี่ มิแต่เพื่อนเป็นไม่มีเพื่อนตายเราไม่ีเพื่อนตายเราไมีเพื่อนตายก็ อ, ย อ, อันนี้คือฝากคติเพื่อให้พวกเราได้เอาไปคิดหนึ่งหลวงพ่อพูดบอกพูดอันนี้พูดให้คิดนะเราต้องไปคิดพูดให้จํจาจํามั่งไม่ต้องจำทั้งหมดก็ดให้จพูดให้ทําคือปฏิบัติหลวงปฏิบัติถ้าคุณสมบัติสาอย่างนั้ไม่มีไม่ครบในตัวเราฝังทั้งปีก็ไม่ได้อะไร คือไประโยชน์อะไรไปเป็นร้อยวัดพันวัดก็ไม่เคยประโยชน์อะไรเพราะมันวัดอะไรไม่ได้เลยเมืองไทยมีสามหมื่นกว่าวัดพระสามแสนกว่ารูปสามหมื่นกว่าวัดต่อไปให้ครบสามหมื่นวัดแต่ไปแล้ววัดกายตัวเองไม่ได้วัดวาจาตัวเองไม่ได้วัดใจตัวเองไม่ได้นี่ประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าอยู่ที่บ้าน วัดกายตัวเองได้วัดวาจาตัวเองได้วัดใจตัวเองได้นั่นแหละคือการเข้าวัดอย่างแท้จริงปีใหม่เนี่ยขอให้เราเข้าถึงวัดทุกคนขอความดีที่เรามาทั้งหมดในปีเก่าที่ผ่านมาก็ดีจะเป็นภาลวะปัจจัยคุ้มครองดูแลรักษาใจของพวกเราทั้งหลายให้มีความสุขตามสภาวะตามกําลัง ต้องบอกว่าต่างกำลังทั้งบุญเหมือนกันแค่ทั้งบุญตางกำลังจะไปมากจะไปน้อยจนเกินไปทำแล้วมันเดือดร้อนมันไม่เป็นบุญคือทําอะไรก็ตามที่ทําไปแล้วตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนนั่นไม่ใช่บุญทําไปแล้วตัวเองสบายใจคนอื่นสบายใจด้วยนั่นคือบุญมันไม่เกี่ยวกับน้ําหนักทิศทางหรือปริมาณเราก็ขอปีใหม่นี้ให้เราทั้งหลายได้มีคนเจริญ อยู่ทางโลกก็ให้เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญแบบธรรมให้เราทั้งหลายนี้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านตท่น